เมวันที่16กุมภาพันธ์2507ณป่าบันตัดจังหวัดอุดรธานีมนุษย์เราเกิดก็เกิดยากกว่าบรราดาสัตว์ทั่วไปเกิดขึ้นมาแล้วเลี้ยงก็ายากให้เหมือนเลี้ยงสัตว์ ทั้งหลายและเลี้ยงเป็นมีญานนานก็จะใช้การใช้งานรู้ภาษีภาษาหนักเบาพอแม่ผู้รับภาระเลี้ยงดูรู้สึกว่าจะหนักมากยิ่งกว่าปิดการงาน ใ, น ใ, นใดๆที่ได้เคยผ่านมา ความสิ้นเปืองแห่งสมบัติที่จะนำมารักษาหรือเลีเ้ยงดูลูกเต่าแต่ละคนละคนซึ่งเกิดมาจากพ่อแม่นั้นมดเป็นจำนวนไม่ น, อน้อยและไม่มีพ่อแม่ของลูกคนใดที่จะทำสถิติเอาไว้ว่าลูกคนนั้นนับตั้งแต่ วันปรากฏขึ้นในขันจนถึงวันรู้จักเรีอยงสาภาวะใช้าการใช้างานได้หมดเงินทองเข้าของเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านั้นดังนี้ไม่เคยมีพ่อแม่ของบุตรคนไหนจะทำบัญชีไว้เพราะถือว่าสิ่งทั้งหลายที่นำม า, ารักษาลูกแต่ละคนละคน เป็นของมีคุณค่าน้อยกว่าลูกที่ตนรักษาอยู่นั้นหรือกว่าลูกของตนฉะนั้นพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่ากิจโฉมนุสปฏิลาโภว่ากาศการเกิดขึ้นเป็นมนุษย์นี่เป็นลาภจึงหาอันใดขัดแย้งธรรมะ คำสองสองของพระพุิเจ้าในบทนี้ไหมนะเขาเกิดได้อย่างเกิดมาเป็นมนุษย์เพียงรูปร่างแห่ืงมนุษย์นั้นก็มีเยอะแต่ลักษณะความรู้ความสลาดฐานะลิตรกูลที่เป็นที่เกิดนั้น มีการเหนื่มล้ำตาำสูงต่างกันอยู่มากมายแต่ถึงอย่างใดก็ตามที่ว่าของพ่อแม่ของลูกแต่ละคนละคนยอมสละชีพเพื่อจะรักษาลูกเต้าของตนจนกว่าจะใหญ่โตละหัฐานใช้การใช้งานขึ้นมาได้ด้วย ก, กันทุกรายเพราะฉะนั้นในมงคลลัาสูตรท่านตรัสไว้ว่า มาตายปีตุปุปทานนั่งจึงเป็นการเตือนให้คนเราทุกๆคนที่รู้ดีรู้ชั่วได้สำนึกในตัวเองว่าไม่ได้เกิดมาจากโพรงไม้แต่เกิดเกิดมาจากความยุ่งยากความลำบากของพ่อแม่และเกิดขึ้นมาจากเลือดเนื้อของพ่อแม่เกิดขึ้นมาจาก วงใจของพ่อแม่จริงๆภาระทั้งหมดที่เกี่ยวกับลูกเต้ายอมเป็นหน้าที่ของพ่อแม่จะรับทั้งนั้นคนมีจำนวนมากในโลกนี้ทั้งคนชั้นสูงชั้นต่ำคนมีคนตนนับจำนวนไม่น้อยไม่มีใครสามารถจะมาเลี้ยงลูกของเดาได้ เหมือนอย่างตัวของเราเองเพราะฉะนั้นพ่อแม่จึงเป็นผู้มีคุณมากยิ่งกว่าสิ่งใดในโลกพระพุทธเจ้าท่านจึงจัดไว้เพื่อให้บรรดาเราที่มีพ่อแม่เป็นแดนเกิดได้พิจารณาถึงบุญคุณของท่านที่ได้เลี้ยงเรามาว่ามีความยากแค้งเท่าไหร่แล้วควรจะท่านน้อง ตอบบุญคุณท่านเต็มกําลังความสามารถของเราที่ได้ น, นั่งอยู่บนหัวใจของท่านมานานจนกว่าจะเลี้ยงตัวคุม้มแปลความในบาลีที่กล่าวตะกี้นี้ว่ามาตาปิตูปัฏฐานัง ได้แต่การอุปถรัรมภะถากพิดามันดาเป็นการตอบแทนก็ตอบแทนการเลี้ยงดูของท่านมีกล่าวถึงเรื่องมนุษย์ที่เกิดขึ้นมายากเลี้ยงก็ายากอย่างนี้เมื่อเราได้อัตภาพทั้งหมด มาจากพ่อแม่ของเราเป็นกายของคนทั้งคนมืออวัยวะสมประกอบทุกอาการเราจรึงควรภาคภูมิใจว่าในมรดกอันสำคัญมาเราจะศึกษาหาความรู้วิาชาคอบเข้ามาดูก้อนเราจะประกอบการงานดีการทํามมาหาเลี้ยงชีพ ทุกๆอย่างก็ต้องอาศัยมรารดคือร่างกายก้อนนี้เราจะประกอบคุณงามความดีหาความรู้วิชาทางโลกหรือทางธรรมก็ต้องอาศัยมรารดคือกายก้อนนี้จิตทุกอย่างซึ่งเป็นหน้าที่ของเราจะต้องดําเนิน ้องอาศัยร่างกายก้อนนี้ทั้งนั้นถ้าส่วนใดส่วนหนึ่งได้ขาดตกบกพร่องลงไปแม้จะนำสิ่งอื่นเข้ามาแทนก็ไม่เหมือนของที่มีอยู่แต่ดั้งเลยเพราะฉะนั้นความเป็นมนุษย์จึงมีความสำคัญยิ่งในขณะที่เรามีชีวิตอยู่นี้ ในอันดับสองท่านมักกิจโฉจิตขังมัจจานักีวิตังชีวิตจิตใจของเราที่ได้มาจากอัตภาพก่อนนี้ควรจะดำเนินในทางที่เป็นประโยชน์ทั้งทางโลกและทางธรรมอย่าให้เสียประโยชน์ไปเปล่าจากชีวิตนี้เลย ไม้ที่มีอยู่ตามป่าตามดงมีจำนวนมากมายไม้ที่มีเนื้อดีมีราคามากก็มีจำนวนมากไม้ที่มีเนื้ออ่อนไม่ดีมีราคาน้อยที่ทิ้งเกอนอยู่ตามป่าตามลกไม่มีใครนำมาใชา้ทำประโยชน์ก็มีจำนวนมากมายส่วนไม้ที่นำมาทำประโยชน์ปลูกบ้านปลูกเตือนปลูก หอผูกห้างสร้างวัดสร้างวาทํทำให้เป็นประโยชน์จากทางลูกและทางธรรมก็มีจานวนมากเราที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ผู้ที่ทำตัวให้เป็นขอนสูงที่น่งเกลือนดูโกลกลุงมลังอยู่ตามบ้านตามเรือนตามสถานที่ต่างๆและทำโลกให้เดือดร้อนก็มีจำนวนไม่ น, น้อย ตามที่เราได้ผ่านมาแล้วด้วยกันคนผู้ที่ทำตัวให้เป็นผลประโยชน์แก่โลกเท่าที่กำลังจะสามารถและเป็นประโยชน์แก่ตนเองคือทางด้านธรรมะา ก, ก็มีจำนวนไม่น้อยเพราะฉะนั้นเรื่องชีวิตที่เรา จะพาดำเนินให้เป็นประโยชน์ให้เป็นชีวิตที่มีความสำคัญคือเป็นประโยชน์สำหรับเราและโลกแล้วจึงขึ้นอยู่กับการดัดแปลงจิตใจของเรานะเน่เตองประคองชีวิตร่างกายเป็นไปในทางที่ถูกและเจริญการสุขฝนอบรมตัวของเราเพื่อเป็นความดีแก่ตนและแก่โลกนั้น เป็นสิ่งที่จะควรทำได้ด้วยกันแม้เราจะยังไม่เข้าใจในเหตุผลอันจะเป็นสิ่งที่จะทำให้ความเจริญและเสื่อมแต่ตัวของเราและโลกไม่สมบูรณ์ก็าตามแต่เพราะการศึกษาอบรมไปอยู่เสมอเราอาจจะทราบได้เป็นระยะระยะจนสามารถทราบได้โดยตลอดทั้งทางโลกและทางธรรม ซึ่งมีอยู่ภายในใจของเราด้วยกันหมัดนี้ชีวิตของเราทั้งหลายกำลังมีคุณค่าจะนำประกอบการงานส่วนใดก็เป็นไปเพื่อความสำเร็จ ด, ด้วยความขยันหมั่นเพียรเราจะพยายามฝึกฝนอบรมจิตใจของเราให้เห็นปรากฏเป็นของมีคุณค่าขึ้นมาภายในตัวเอง ยิ่งกว่าสิ่งทั้งหลายที่เคยเห็นว่าเป็นของมีคุณค่ามาแล้วในส่วนภายนอกนั้นเราก็พอจะทำได้โลกจะเป็นโลกอยู่ได้เพราะอาศัยบุคคลผู้ครองโลกเป็นผู้มีชีวิตกิตใจดำเนินให้โลกเป็นไปเพื่อความจเจริญร่างกายที่ทรงตัวอยู่ได้ เพราะอำนาจของจิตที่ครองร่างกายนี้อยู่สามารถจะดำเนินจิตการงานได้ทุกด้านทั้งทา ง, ทงโลกและทางธรรมจิตใจที่รับการอบรมด้วยความสนใจของเราผู้เป็นเจ้าของจนปรากฏผลขึ้นมาภายในใจของตัวเองเป็นใจที่มีคุณค่า มากยิ่งกว่าสินใดในโลกนี้เพราะฉะนั้นนักปราชญ์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นจึงตรงชี้แจงแสดงหลักธรรมทั้งหลายรวมลงสู่จิตใจทั้งนั้นว่าเป็นที่รวมแห่งธรรมทั้งหลายตามท่านกล่าวไว้ว่ามโนปุพังธมะธรรมามโนเสถฐามโนเัญญาเป็นต้น ทำทั้งหลายทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วจะปรากฏขึ้นมาจากต้นเหตุแห่งธรรมคือใจแตยใจที่จะเป็นไปในธรรมทั้งหลายให้มีความเจริญภายในตัวเองตองอาศัยการอบรมใจให้มีความเชื่องต่อเหตุผลและรู้เหตุรู้ผลภายในตัวเอง ฉะนั้นการอบรมใจมีการนั่งภาวนาเป็นต้นก็เพื่อจะประดิษฐ์คิดคน้นหรือปรับปรุงจิตใจของเราให้ก้าวเข้าสู่ระดับที่มีคุณค่าเป็นลำดับไปเริ่มต้นแต่ฝึกหัดให้มีความสงบหรือฝึกหัดให้มีความเคยชินต่อหน้าที่ทั้งทางโลกทั้งทางธรรม มีทานสีภาวนาเป็นต้นเมื่อจิตใจมีความเคยชินต่อธรรมเหล่านี้แล้วก็พยายามฝึกขาดจิตให้มีความเคยชินต่อด้านอบรมเพื่อความสงบโดยเฉพาะในวันหนึ่งวันหนึ่งให้ถือว่าการอบรมจิตใจเป็นสิ่งจำเป็น เพื่อเป็นเครื่องสนับสนุนทั้งด้านการงานภายนอกทั้งด้านการงานภายในคือการอบรมตัวเองให้มีความละเอียดขึ้นไปเปนน็นลาดับจิตทุกๆคนเมื่อยังไม่รับการอบรมต้องเป็นจิตที่เต็มไปได้วยความ วุ่นวายยุ่งเหยิงด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าคนมีคนตนไม่ว่าคนโง่คนฉลาดไม่ว่าชาติใดภาษาใดต้องเป็นเช่นเดียวกันต่อเมื่อมีการอบรมเสมอแล้วต่างก็จะเป็นไปเพื่อความรู้เรื่องในตัวเอง และเป็นไปเพื่อความสงบเยือเกเย็นเป็นลหนับจิตเป็นสิ่งสำคัญเป็นตัวการทั้งการเกิดด้วยและการตายด้วยเป็นตัวการทั้งสถานที่ที่จะเกิดดีชั่วสุขทุกข์ด้วยเพราะฉะนั้นเราเป็นนายช่างซึ่งกำลังฝึก ฝนอบรมตนให้เป็นไปในทางที่ดีเพื่อสถานที่ดีมีความสุขความเจริญจึงไม่มองข้ามจึงไม่ควรมองข้ามใจดวงนี้ซึ่งเป็นเจ้าตัวการอยู่แล้วทุกๆขณะให้ดำเนินไปด้วยความถูกต้องทงั้งๆที่เรามีชีวิตอยู่นี้ได้เห็นประจักษ์ความเคลื่อนไหวของใจตนเองอยู่เสมอว่าเคลื่อนไหวไปทางที่ถูกหรือผิด การเคลื่อนไหวปในทางที่ถูกหรือผิดที่แสดงตัวอยู่ในปัจจุบันนี้เองจะเป็นเรื่องต่อเนื่องถึงเรื่องอนาคตทั้งที่เป็นฝ่ายดีฝ่ายชั่วเมื่อได้พยายามอบรมจิตใจของเราให้เป็นไปถูกทางจะเป็นขั้นต่ำขั้นกลางขั้นละเอียดก็ตามนี่แลจะเป็นเรื่องของอนาคต ของใจดวงนี้ถ้าใจมีความเดือดร้อนวุ่นวายเพราะการสร้างกรรมไว้เป็นเครื่องทับถมจิตใจอยู่ทุกๆเวลาแล้วใจดวงที่ได้สร้างกรรมทับถมตนเองนี้เองกรรมทั้งหมดที่สร้างมาแล้วนี้จะเป็นเครื่องผลักดันจิตใจให้ไปสู่สถานที่เช่นนั้นซึ่งหาความสุขไม่ได้เลย เพราะฉะนั้นการอบรมจิตใจให้มีความสงบเยอเือกเยน็นต่อตนเองจึงเป็นจิตจำเป็นที่เราจะต้องธนุบำลุงให้มีกําลังเป็นลําดับไปเพื่ออนาคตของใจดวงนี้ ใจที่เป็นไปในในวัฏตะนั้นให้เราย้อนเข้ามาใกล้ๆอยาเห็นว่าสถานที่ต่างๆอันเป็นสถานที่อยู่ที่ไปที่มาของจิตว่าเป็นวะะัฏะผู้ท่องเที่ยว ในสถานที่หรือกำเนิดกำเนิดต่างๆนั้นโปรดได้ทราบว่าคือจิตดวงที่เป็นอยู่นัดนี้เพราะฉะนั้นอุบายวิธีที่เราอบรมจิตใจทุกๆเวลาที่ทำอยู่นี้จึงเป็นเหมือนเข็มทิศที่จะชี้แนวทางให้จิตใจของเราเดินไปในทางที่ถูกต้อง จนกว่ า, วาจิตนี้จะหมดพยศโดยที่เฉยหาเชื่ออันใดที่จะเป็นเหตุให้เกิดอีกไม่ได้แล้วความตายนั้นไม่เป็นปัญหาอันหดปัญหาสำคัญยิ่งก็คือเรื่องการเกิดของจิตแม้จิตจะมีพบหรือมีเชื้อฝังอยู่ภายในตัวเองก็ขอให้มีเชื่อที่ดีซึ่งตนได้สั่งสมไม่แล้ว เมื่อเชื่อที่ดีฝังอยู่ภายในจิตหากว่าจิตจับไปเกิดในสถานที่หรือกำเนิดใดเมื่อปรากฏรูปร่างขึ้นมาก็จะเป็นรูปร่างที่พึงพอใจในภพนั้นๆและมีความสุขความจเจริญเนื่องจากจิตได้ผลิตเหตุไว้ในเบื้องตน้น ปรากฏผลขึ้นมาเป็นความสุขภายในตัววิธีที่จะทำจิตให้มีความเด่นให้มีความรู้เด่นเห็นชัดว่าจิตนี้เป็นประเภทหนึ่งต่างหากจากส่วนแห่งร่างกายเหล่านี้นั้น ได้แจ่อุบายวิธีที่เคยอธิบายให้ฟังแล้วคือการอบรมภาวนาเราจะกำหนดลมหายใจก็าตามกำหนดคำบริกรรมมีพุโทโธเป็นต้นก็าตามทมทั้งนี้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของจิตให้มีความสัมพันธ์หรือรับรู้อยู่กับธรรมเหล่านี้แล้วจิตจะ ได้ตั้งตัวขึ้นมาได้กลายเป็นความรู้เด่นขึ้นมากับบทธรรมนั้นนั้นและการกําหนดภาวนาจะกําหนดบทธรรมบทใดก็ตามโตัวยาได้ทำความคาดหมายไว้ข้างหน้าให้ถือหลักปัจจุบันคือบทธรรมนั้นโดยเฉพาะ ให้จิตมีความรู้สึกสัมพันธ์อยู่กับธรรมบทนั้นโดยมีทติเป็นเครื่องบังคับไว้เมืองผลที่จะเกิดขึ้นจากหลักปัจจุบันที่ตั้งไว้โดยถูกต้องแล้วนั้นจะปรากฏขึ้นมาเองแต่ถ้าเราทรงจิตให้เคลื่อนจากหลักปัจจุบันที่กำลังบาเพ็ญหรือภาวนาอยู่นี้ ให้กลายเป็นเรื่องอนาคตคือการคาดคะเนไปเสียนั้นเหตุที่เราบำรุงนี้จะขาดวักขาดตอนผลที่จะปรากฏขึ้นตามความหมายนั้นตามความคาดหมายนั้นจะไม่มีอะไรปรากฏขึ้นมาได้เพราะหลักปัจจุบันได้ขาดวักขาดตอนไปฉะนั้นการรักษาสติให้อยู่กับบทธรรมมีลมหายใจเป็นต้น จึงเป็นช่องทางที่จะให้รู้เรื่องของใจเด่นชัดขึ้นเป็นลำดับใจที่มีความรู้สึกอยู่ทั่วทั้งร่างแต่ไม่สามารถจะยึดเอาความรู้สึกขึ้นมาได้โดยชัดเจนว่าความรู้สึกนี้ได้รวมตัวอยู่ที่ไหนรวมจุดอยู่ที่ไหนนั้น เนื่องจากจิตของเราซ่านไปทั่วสารพางร่างกายและซ่านออกไปสู่ภายนอกจนถึงกระหาขอบเขตไม่ได้ความรู้ที่ซ่านอยู่เช่นนี้ไม่ได้รวมตัวจึงหาจุดยึดหลักที่แท้จริงของใจไม่ได้เพราะฉะนั้นวิธีการพิจารณาทุกๆวิธีก็เพื่อจะตะล่อมกระแสของใจให้รวมเข้าเป็นจุด คือความสงบเมื่อจิตปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาสงบน้อยก็จะเห็นจุดของจิตน้อยสงบมากสงบละเอียดเข้าไปเท่าไรเรายิ่งจะเห็นจุดของจิตที่แท้จริงเด่นชัดขึ้นทุกทีทุกทีเมื่อจิตได้มีความสงบหรือมีความสงบเป็นกํหลัง แล้วแม้จิตจะไม่อย่างเข้าสู่สมาธิปล่อยวางทัญญาอารมณ์ใดๆก็ตามความรู้จะเป็นส่วนหนึ่งส่วนแห่งร่างกายทั้งหลายนี้จะเป็นส่วนหนึ่งหนึ่งจากความรู้นี้อยู่เป็นปกติหรืออยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอาการแห่งธรรม มีกายเป็นต้นที่ท่านสอนให้จิตพิจรารณาก็เพื่อจะให้จิตอาศัยส่วนเหล่านี้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวและถือเป็นหลักปัจจุบันเพื่อให้กระแสของจิตรวมตัวเข้ามาสูกความรู้สึกอยู่จำเพาะกับอาการนั้นๆเมื่อพอแก่เหตุผลแล้วก็จะปล่อยจากอาการนั้นๆ เข้ารวมตัวอยู่โดยเฉพาะมีท่านเรียกว่าจิตรวมเมื่อจิตรวมเต็มที่แล้วส่วนแห่งร่างกายทั้งหลายจะเป็นส่วนสูงส่วนต่ําข้างหน้าข้างหลังจะหมดความหมายในขณะที่จิตปล่อยวางนั้นจนกว่าจะถอนขึ้นมาจึงจะรู้สึกในส่วนแห่งกายทั้งหลายว่าส่วนนั้นอยู่ที่นั่นส่วนนี้อยู่ที่นี่ แม้เช่นนั้นความสงบที่เป็นพื้นฐานของใจก็ยังปรากฏตัวอยู่ว่าจุดแห่งความรู้อยู่ที่นี่จุดแห่งความสงบอยู่ที่ไหนโปรดได้ทราบว่าจุดแห่งความรู้อยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นเมื่อจิตมีความสงบความรู้จึงเด่นขึ้นในขณะเดียวกันและในจุดเดียวกันด้วยมีการฝึกหัดอบรมเพื่อรู้เรื่องของใจเราโปรดได้พิจารณาหรือฝึกหัดอย่างนี้ แต่อย่าได้คาดคะเนในบทธรรมที่ตนกําลังพิจารณาหรืออบรมอยู่นั้นให้ถือหลักปัจจุบันคือมีสติเฉพาะหน้าเป็นหลักสำคัญที่จะรับรองผลคือความสงบเป็นลำดับําดับขึ้นไปได้เมื่อจิตมีความสงบเป็นต้นทุนคือไม่วอกแวกกรนแขนไม่หิวโหวยกับอารมณ์ใดๆเพราะมีธรรมคือความสงบ เป็นที่ดึงของใจใจย่อมสามารถจะพิจารณาในสภาพจะเป็นส่วนแห่งกายก็ตามจะเป็นส่วนแห่งเวทนาคือสุขทุกเฉยๆที่มีอยู่ในกายและในใจก็ตามจะเป็นส่วนสัญญาคือความจำได้หมายรู้มากน้อยกว้างแคบก็ตามจะเป็นส่วนสังขารคือความปรุงความคิดซึ่งเกิดอยู่กับใจทุกขณะก็ตาม จะเป็นส่วนนวิญญาณที่รับรู้จากสิ่งที่มาสัมผัสก็ตามจะรู้ได้เป็นลำดับรู้ได้ชัดเป็นลำดับคำว่าเห็นกายจากการพิจรารณานั้นเห็นได้สองในในหนึ่งเห็นเหมือนกันกันกบตาเห็นเห็นด้วยตาเนื้อแต่ไม่ใช่ตาเนื้อ เป็นเรื่องของใจเห็นโดยเฉพาะอย่างหนึ่งเห็นด้วยอํานาจของปัญญาที่ตรองดูตามเหตุตามผลเห็นชัดกระจากใจหายสงสัยว่าสภาพนี้จะเป็นอะไรต่อไปอีกและอดีตเป็นมาอย่างไรปัจจุบันนี้ตั้งอยู่อย่างไรและจากนี้แล้วจะเป็นอะไรต่อไปปัญญาเห็นชัด ในความเป็นมาเป็นอยู่และเป็นไปของส่วนแห่งร่างกายและส่วนแห่งนามธรรมคือสัญญาเวทนาสัญญาสังขารนิยามอย่างนี้ก็เรียกว่าเห็นด้วยปัญญาเห็นด้วยปัญญาชนิดนี้เป็นปัญญาที่สำคัญนับตั้งแต่ขั้นต้นจนถึงปัญญาขั้นสูงสุดสามารถที่จะถอดถอนจิตให้ถึงวิมุตินิพานได้เพราะอำนาจแห่งปัญญานี้ ส่วนที่เราเห็นเหมือนกับตาเนื้อเห็นนั้นยังต้องอาศัยปัญญาประเภทนี้สอดสองมองดูอีกทีหนึ่งเหมือนกับว่าปัญญาประเภทหนึ่งจับไว้หรือถือเอาไว้ปัญญาประเภทหนึ่งฟาดฟันหรือพี่คลายลงไปในภาพที่ปรากฏที่นั้นนี่ท่านเรียกว่าพิจนารณานด้วยปัญญา เพราะฉะนั้นคำว่าสมาธิเป็นเครื่องอบรมปัญญานั้นอบรมได้โดยยิถิ่นจิตที่เป็นปัญญาทางปัญญาขาดมาขาดตอนและปัญญาจนกลายเป็นสัญญาไปเสียโดยเจ้าตัวไม่รู้เนื่องจากท้งจิตก็อยากจะพิจารณาธรรมะแต่ทางด้านจิตใจก็มีการหิวโหวยในอารมณ์แล้วก็ แส้ทายเอาไปสู่อารมณ์ภายนอกที่ตนเคยเกี่ยวข้องหรือเคยยึดถือมานั่นเสียส่วนอาหารคือธรรมะที่จะเข้าไปหล่อเลี้ยง จ, จิตใจจริงไม่มีกำลังมากกว่าอารมณ์ที่จิตได้เคยเสพมาแล้วเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่มี้ามาพี่ความสงบใจที่จะนาทางด้านปัญญาจริงเป็นเหตุให้ปัญญามีกาลัง ไปไม่ได้รวดอย่างรวดเร็วและทันใจคำว่าอาริยสัจจะทำทั้งสี่นี้เป็นรากฐานของพระศาสนาทั่วๆไปด้วยเป็นรากฐานสำคัญสำหรับเราผู่เป็นเจ้าของแห่งอริยสัจทั้งสี่นี้ด้วย ซึ่งจะพิจารณาเมื่อไรก็ปรากฏตัวอยู่เช่นนั้นไม่เคยขาดวักขาดตอนตั้งแต่วันกุบัติขึ้นมาจนกระทั่งถึงวันสิ้นอายุแม้เราจะพิจารณาอยู่ในส่วนแห่งร่างกายและจิตใจของเหล่านี้ก็เพียงพอแต่อริยสัจไม่มีส่วนใดจะบกพร่องในตัวของเราเลย คำว่าทุกข์คือความไม่สะดวกกายสบายใจเราก็พอจะทราบได้แล้วว่ากายกับใจนี้ก็คือเรือนของทุกข์นั่นเองไม่ใช่เรือนของสิ่งอื่นใดทั้งนั้นนอกจากเป็นเรือนของทุกข์ที่เขาจะอยู่ประจําแล้วออกเข้ า, เ, ขาเหมือนกันกับเราเข้าบ้านออกเดือนของเราเดี๋ยวก็เข้ามาเดี๋ยวก็ออกไป คือเดียวทุกข์ก็เกิดขึ้นทุกข์ก็หายไปมากบ้างน้อยบ้างเหมือนกับแขกเข้ามาในเยี่ยมบ้านของเราบางทีก็ามามากบางทีก็ามาน้อยแขกที่มีแขกชั่วมีเรื่องกายกับใจจึงเทียบกันได้เหมือนกับบ้านเรือนของคนเราจะขับไล่เรื่องทุกข์ให้หนีไปจากกายกับใจนี้ตราบใดที่มีกายอยู่ทุกข์จะหนีไปไม่ได้และตราบใดที่ ใจมีอวิชชาครองตัวอยู่ตราบนั้นใจทุกจะจะขับไล่ทุกข์นี้จากใจยังไม่ได้เพราะทุกข์นี้เป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากต้นเหตุของใจได้แก่อวิชชาทุกทั้งสองประเภทนี้มีกายกับใจเท่านั้นเป็นเรือนอยู่เป็นที่อาศัยการทิ่จรณาทุกก็ดี การพิจารณาเรื่องอนิจจงอนัตตก็ดีเป็นเรื่องจะให้รู้เหตุรู้ผลของส่วนแห่งกายและส่วนแห่งจิตของเราทั้งนั้นสภาพที่แปรพุกก็แปรเช่นเดียวกัน ไม่เพียงแต่สุขจะแปร ى. ความเฉยเฉยก็แปรเช่นเดียวกันนี่ท่านก็เรียกว่าไตรลักษณ์คือมีมีลักษณะสามทุกขงังอันนี้จังอันนับตา น, น่และทุกเช้นในส่วนแห่งร่างกายนี้มีไตรลักษณ์คือลักษณะสามนี้อย่างสมบูรณ์ด้วยกันไม่ว่าอาการใดๆแห่งกายและไม่ว่าอาการใดๆแห่งติต จะมีตรลักษ์อยู่นั้นอย่างสมบูรณ์นอกจากว่าเราจะไม่พิจารณาให้เห็นชัดตามธรรมชาติของเขาที่แสดงตัวอยู่เท่านั้นเรื่องสมุทยัยรูปการั่งสมขึ้นหรือว่าเหตุเป็นแด น, นเกิดแห่งผลคือทุก ท่านเรียกว่าสมุ ท, ทยัยส่วนทางร่างกายของเราท่านทาเหตุให้ผิดก็มีการกาเริบได้เช่นเดียวกันเช่นแนวรับทานอาหารหรือของสแสลงเข้าไปอนี้อาจจะทําร่างกายของเราให้กาเริบขึ้นมาได้แต่ประเภทนี้ไม่จัดเป็นกิเลสท่านจึงมาเรียกว่าสมุ ท, ทยัยท่านที่ท่านให้ชื่อว่าสมุ ท, ทยัยเฉพาะภายในใจนั้นเนื่องจากว่าใจนี้เป็นต้นเหตุที่จะสังสม เรื่องกองทุกข์ขึ้นจานวนมากมายเนื่องจากความไม่รอบคอบในความคิดของตนเองเพราะฉะนั้นเรื่องของสมุทัยจึงไปรวมอยู่ที่ใจดวงเดียวท่านกล่าวไว้ว่ากามตัญหาภวตัญหาวิภวตัญหา ตัณหาแปลว่าความความอยากความอยากในส่วนแห่งร่างกายเป็นความอยากประเภทหนึง่งเช่นการอยากดื่มน้าการอยากรับทานไม่จัดเป็นกิเลสตัณหาแต่ถ้ามีใจเป็นเครื่องสัมพยุตอยากอยากจนเลยเขตเลยแดนแล้วก็จัดเป็นตัณหาได้ในทางใจแม้กายจะไม่เป็นตัณหา แต่ใจผู้เป็นหัวหน้าก็าต้องก็ต้องเป็นปัญหาไปด้วยวันนี้อธิบายเรื่องอริยสัจคือให้ถูกหมดภายในตัวของเราว่ามีอริยสัจ อ, อย่างสมบูรณ์อาการที่เราพิจารณาตาม ทำนองที่อธิบายมานี่นี่ท่านเรียกว่ามาัจมีสติมีปัญญาไกรกรองดูสภาพความเป็นอยู่ของขันเหล่านี้และของจิตใจที่แสดงตัวอยู่ทุกๆเวลานี้ท่านเรียกว่าเป็นมัจคือทางเดินเพื่อรู้รอบในสิ่งเหล่านี้หรือเพื่อพ้นจากสิ่งเหล่านี้ไปเสียในเมื่อได้พิจารณารู้รอบแล้ว คำว่าสมุทยนี่แปลเป็นรวมๆไว้แปลว่าแดนผิดทุกอันเป็นตัวผลขึ้นมาเนื่องมาจากการสังสมวิริยที่เกิดขึ้นจากความสั้งัญมันหมายของใจที่ไม่รู้สึกตัวเองว่าเป็นทางถูกหรือทางผิด ธรรมานิโลธะก็จะปรากฏขึ้นมาเป็นลำดับของมักที่มีกำลังในการพิจารณาส่วนแห่งทุกแห่งจุมภายนี้เราพิจารณาส่วนทุกจะเป็นเรื่องของกายก็ตามเป็นเรื่องของใจก็ตาม โดยทางปัญญาก็เป็นการจะรื้อถอนสมุทัยอยู่ภายในตัวนั่นแล้วเมื่อสมุทัยได้เบาลงไปขนาดไหนนิโรธะคือความเยือกเย็นหรือความสงบดับทุกข์นั่นก็ค่อยปรากฏตัวขึ้นมาเป็นลำดับเมื่อสมุทัยได้ดับลงไปมากน้อยคำว่านิโรธะซึ่งเป็นผลเกิดขึ้นมาจาก การดับทุกนั้นก็แสดงตัวขึ้นมาเป็นลำดับลำดับเมื่อทุกเมื่อสมุทัยได้ดับอย่างสนิดภายในใจคำว่านิโรธาคือความดับสนิดแห่งทุกก็ปรากฏขึ้นมาอย่างเต็มที่ภายในใจของผู้ปฏิบัตินั้นๆก็อริยสัจธะทธรรมทั้งสี่นี้ ตามที่ทราบกันก็ท่านก็กล่าวว่าทุกขัง อ, ร, งงอง ร, ง ร, ร, ริยสัจกังทุกก็เป็นของจริงสำหรับพระรยาเจ้าสัมมไทัยนิโรธมรก็เป็นของจริงสำหรับพระยาเจ้าเหตุใดทมทั้งนี้มีอยู่กับเราเช่นเดียวกันกับพระรยาเจ้าทำไมจริงไม่เป็นของจริงสำหรับเราเรา ความเป็นทั้งนี้เพราะใจของเรายังไม่จริงตามขั้นของธรรมทุกแม้จะเป็นของจริงก็ตามแต่เราพูดมีความรู้สึกกับทุกนั้นยังปลอมอยู่สมุทยัยแม้จะเป็นของจริงก็ยังปลอมสำหรับพวกเรานี่โลดมาก ก็เช่นเดียวกันต่อเมื่อใจได้พิจารณาเห็นหลักความจริงจะเป็นส่วนทุกข์ก็ตามส่วนสมุทัยก็ตามส่วนมรรคก็ตามส่วนมิโรดก็ตามเห็นตามเป็นจริงขึ้นในการใดและในภูมิใด ขรายาศัตร์จะทำทั้งสี่นี้ก็จะเริ่มเป็นของจริงขึ้นมาตามจิตที่มีความจริงต่อตอนเองในขณะนั้นเช่นพระโสดาพระสกิทาพระอนาคาพระหรหันต์นี้จัดเป็นพระรยาเจ้าทั้งนั้นแต่พระโสดาท่านก็จริง อริยสัจจะทำทั้งสีนี้จะจริงในพระโสดากตาาดา็ตามขั้นของท่านพระโสด า, าตามขั้นของท่านพระสกิทาค่ะตามขั้นของท่านพระอนาคาคยังไม่สมบูรณ์เต็มที่เพียงแต่ได้เงื่อนหรือหลักฐานไว้เป็นเครื่องดูอาศัยหรือเป็นสักคีพยานภายในใจเท่านั้นตามขั้นแห่งธรรม้องตน ต่อเมื่อได้ถึงขั้นพระรหันเต็มที่แล้วอริยสัจจะทำทั้งสี่นี้ก็สมบูรณ์เต็มที่เพราะจิตได้มีความจริงต่อตอนเองอย่างเต็มที่ทุกสมุทัยนิโรธมากทั้งสี่นี้ก็กลายเป็นของจริงอย่างเต็มที่ขึ้นมาในพระอริยเจ้าประเทศนั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวว่าอริยสัจ ท, ทั้งสี่นี้เป็นของจริงสําหรับพระอริยเจ้าคือหาที่คือท่าน พิจรณาเห็นตามหลักความจริงจนหาทางคัดค้านความจริงที่ปรากฏขึ้นกับท่านทั้งส่วนทุกส่วนสมุนไพรส่วนนิโรธส่วนมากไม่ได้ใจผู้ที่รู้เรื่องอริยสัจจะทำทั้งสี่นี้ก็ปรากฏเป็นความจริงต่อตอนเองขึ้นมาเป็นขั้ น, ข, นขั้นเหมือนกันจนถึงเป็นความจริงเต็มขั้นได้จากขั้นวิมุตต์หลุดพ้น ท่านรัสไว้ว่าทุกสมูทายนิโลดมักเป็นของจริงทางนี้เนื่องจากจะก่อนได้เห็นว่าทุกกับสมูทายนี้เป็นค่าศึกต่อท่านนิโลดกับมาก เป็นคุณต่อท่านท่านนี้เมื่อได้ก้าวพ้นจากเรื่องของทุกข์ของสมุททยไปได้ด้วยอำนาจของมรรคและนิโรดนั่นแล้วทำตั้งสองเงื่อนคือทุกข์กับสมุททยเงื่อนหนึ่งนิโรดกับมรรคเงื่อนหนึ่งนี้ก็ กลายเป็นของจริงตามส่วนของตนอยู่ธรรมชาติที่รู้ทุกสมุทัยนิโรธมากนั้นก็กลายเป็นของจริงประจําตนอีกส่วนหนึ่งจากอายศาสตร์จะทําทั้งสี่เพราะฉะนั้นอายศาสตร์ทั้งสีน่นี้แม้จะพูดว่าเป็นบันไดหรือทางเดินของท่าน เพื่อความพ้นทุกข์ก็ไม่ผิดเพราะไม่ปรากฏว่าพระยาเจ้าองค์ใดได้ถือทุกสมุทัยนิโรธมรรคไปด้วยนอกจากความมรจจุดธิ์ล้วนๆของท่านเท่านั้นจะปรากฏว่าท่านมิผ่าน เช่นเดียวกับเราขึ้นบันไดามาถึงที่แล้วบันไดก็ปล่อยวางไว้ตามสภาพเรื่องของมรรคกับนิโรธก็เช่นเดียวกันที่ทำหน้าที่ต่อทุกสมุทยโดยถูกต้องได้รอบพอบแล้วต่างก็เป็นของจริงอยู่ด้วยกันจิตประเภทที่ผ่านจากทุกสมุทยมิโรธมากไปแล้วจึงเป็นจิตที่หมดความตาหนิติชมในสภาพหรือในสภาวะธรรมใดๆ แม้ทุกขกับสมูทไทยที่เคยเป็นคู่ตระมิตอิชมกันมาก็กลายเป็นของจินกันลงได้ไม่เป็นค้าศิกต่อกันอีกต่อไปอำนาจการปฏิบัติอบรมจิตใจเมื่อได้อบรมให้มีความรู้ความฉลาดต่อตัวเองและเรื่องของตัวเองโดยรอบครอบแล้ว ผลเป็นเครื่องตัดกังวลทั้งปวงที่จะเป็นไปกับจิตนี้เป็นอันว่ายุติลงได้และเป็นสันทิฏฐิโกดโดยไม่ต้องหาใครมาชี้แจงแสดงบอกว่านี่ของจริงท่านได้รู้แล้วเห็นแล้วเพราะของจริงก็มีอยู่กับท่านผู้พิจารณาของจริงจนเห็นหลักความจริง ก็เป็นเรื่องของท่านเองแม้พระพุทธเจ้าจะทรงพระชนอยู่ก็ต า, ามสาวกองค์ใดที่ได้รู้เห็นตามเป็นจริงในหลักธรรมโดยสมบูรณ์แล้วจะไม่ไปทูลถามพระพุทธเจ้าเลยเพราะหลักความจริงมีความเสมอกันดังนั้นคำว่าสันทิติโกก็ดีปัจจังเวดิตะโบวินดุหิตก็ดีนิโลกวิทูตามส่วนแห่งภูมิของสาวกก็ดี พระพุทธเจ้าไม่ทรงผูกขาดไว้เฉพาะพ ร, ะ, พระองค์เดียวแต่ทรงมอบไว้กับหลักปฏิบัติของผู้บำเพ็ญจะปฏิบัติต่อตอนเองแล้วรู้เห็นเป็นผลตอบแทนขึ้นมาโดยทั่วถึงกันจิตเมื่อได้ก้าวเข้าสู่ความหมดกังวลแล้วเช่นนี้ ไม่มีอันใดจะเป็น้าสึกต่อตนเองในโลกนี้อีกต่อไปไม่ว่าโลกนี้หรือโลกหน้าทพรจิตได้ตัดแล้วซึ่งสมมุติอันเป็นตัวโลกทั้งหลายโดยทิ้นเชิงพาในตัวเองกิเลสอาสวะภพชาติซึ่งเป็นตัวสมมติกับกจิตที่ผ่านพ้นจากความสมมุติไปแล้ว จึงไม่สามารถจะประสานกันได้นอกจากจะเป็นสมมุติด้วยกันเช่นกิตตวิชาจะผ่องใสขนาดไหนก็ตามก็เช่นเดียวกันกับนักโทษที่อยู่ในเรือนจำแม้เขาจะยังมีเหลือโทษอยู่อีกเพียงวันเดียวเขาก็ยังต้องมีชื่อว่านักโทษอยู่นั่นเองจนกว่าเขาจะถูกปลดปล่อยออกมาเป็นอิสระเสรีเสียตราบใด จราบนั้นเขาจะเป็นฝนเมืองดีเหมือนกับฝนทั่วไปได้ลักษณะของจิตที่มีสมมติดีชั่วแม่นิดหนึ่งเคลือบแฝงอยู่นั่นแล้วจะเป็นจิตที่เป็นวิมุติไม่ได้ฉะนั้นประพุทธเจาจึงกลับไว้ว่านิพพานังปรมังสุยัง ไม่มีสินใดที่เป็นค่าศึกจะยังเหลืออยู่ในจิตนิพพานนั้นเลยเรียกว่าสูญซากไปหมดชื่อว่าสิ่งที่เคยเป็นค่าศึกต่อกันมาแล้วนิพพานังปรามังสูญยังและไม่มีธรรมชาติใดที่จะมีความสุขยิ่งกว่าจิตได้ตัดเครื่องกังวลต่อตอนเองออกหลอยชิ่งเถอะเมื่อได้ตัด เครื่องกังวลออกโดยสิ้นเชิงแล้วอดีตหรืออนาคตจึงไม่มีเป็นวิสัยของจิต ด, ดวงนั้นจะเกี่ยวข้องและไม่เป็นวิสัยสามารถจะไปเกี่ยวข้องกับจิต ด, ดวงนั้นได้ีนี่เป็นสันทิฏฐิโกเป็นความรู้อยู่จําเพาะหรือว่าเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากข้อปฏิบัติ ที่เราฝึพยายามฝึกผลอบรมล้มลุกคุกคลานมาตั้งแต่เบื้องตน้นจนมาถึงขั้นหนึ่งเป็นผลสืบเนื่องหรือเป็นคุณสมบัติสืบเนื่องกันมาเป็นลำดับลำดับนับตั้งแต่เราพยายามเรียนกอไก่กอกาที่แรกจนถึงภูมิณะบัตนินี้ฉะนั้นขอให้บรรดาท่าน ผู้ฟังทั้งหลายได้ทำความเข้าใจกับเรื่องของใจเราเองแล้วปรับปรุงใจของเราให้ดาเนินไปตามเข็มทิศคือหลักธรรมของพระพุทธเจา้าวันนี้ได้น้อยวันนั้นได้มากขอให้ได้ทำไปทุกวันเหมือนกับเราก้าวเดินไปทุกวัน เราจะไม่ได้ขึ้นนดขึ้นลาไปอย่างรวดเร็วตามใจหวังก็ตามแต่การก้าวไปนั้นไม่ใช่เป็นการถอยกลับต้องก้าวไปเพื่อจุดหมายปลายทางด้วยกันจะช้าหรือเร็วไม่เป็นของสำคัญสำคัญอยู่ที่การก้าวไปเสมอต้องมีวันถึงวันใดวันหนึ่งแน่นอนโดยไม่ต้องสงสัยดีกว่าผู้ที่เป็นขอนสูงทั้งท่อนทิ่งเก่อน อีกขวางอยู่ตามแตนลน่นทางนั้นอีกมากมายฉะนั้นแมอวสารแห่งพระธรรมเทศนานี้ครอมหน้าแห่งวิญญาณุภาพขององค์สมเด็จพระปูมีพระภาคเจ้าพรอมตั้งประธรรมเนี่ยประสงค์จึงมาปกแก้วเราท่านทั้งหลายให้มีความสุข ก, กายสบายใจและสมความมุ่ง ม, มา่ปรารถนาตามใจหวังโดยทัวหนากันเธอ